มันจะไม่สูญนะักสัยนญาติโยมนั่งภาวนาเถอะเมื่อจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, เราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจนั้นคนละอันกันนามธรรมากับรูปวัตถุธรรม ม, มันเป็นคนละอันกันชัดเจนเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาคกรรมฐานยายสายหลวงปู่มั่นของพวกเราจะไม่ว่าองค์ไหนที่เป็นสิทธิญาณิสิทธิ